พวกเรามาฟังเทศกันประจำอยู่แล้วการปฏิบัติก็พัฒนามาตามลำดับนานวันความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันก็มากขึ้นมากขึ้นคนที่ภาวนาเป็นเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้เมื่อสามสิบปีก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละวัดแต่ละวัด เนี่ยหาคนภาวนาเป็นนะหายากมากเลยภาวนาเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมากนะแค่ว่ารู้สึกตัวเป็นนะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันไะด้มีไม่มากหายากหลวงพ่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้ท่านจะเป็นยมข้าไปหาครูบาอาจารยนะ์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลย่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ได้รู้อะไรรู้ตัวรู้ผู้รู้สึกตัว น, นั่นเอง จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วในโลกมันมีแต่คนลืมเน้อลืมตัว น, นเมื่อสามสิปีก่อนนะหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งนะหายากมากเลยคนนั่งสมาธิเนี่ยเยอะคนเข้าวัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดน้อยลงคนนั่งสมาธิก็น้อยลงแต่ว่าคนรู้สึกตัวเนี่ยเยอะแย ะ, ยะ เมื่อห้าปีก่อนหลวงพ่อก็เริ่มเห็นนะว่าที่หลวงพ่อสอนสอนไว้นะจิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมาถึงวันนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกตัวแล้วนะมาถึงวันนี้ถ้าใครแค่รู้สึกตัวหลวงพ่อไม่ชมแล้วเฉยๆเป็นของด่า ด, ดืนเขาเรียกว่าโหลนะ งแค่รู้สึกตัวเนี้ระดับโหลแล้วนะจริงจริงยิ่งกว่าโหลเรียกกุลุธกุลุษนะสิบสองโหลมาถึงยุคนี้ใครๆเขาก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้แยกธาตุแยกขันธ์เยอะแยะไปหมดเลยอย่างพวกเราในห้องนี้จำนวนมากเลยแยกธาตุแยกขันธ์ได้ไม่จะเริ่มเห็นว่าร่างกายเขาส่วนหนึ่งใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคละอันกั น, นความสุขความทุกข์ ก็คนละอันกับร่างกายคนละอันกับจิตใจกิเลส ท, ทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายก็คนละอันกับใจแยกได้แต่จะแยกได้เป็นคลาว์าวนะมันรู้สึกตัวขึ้นมามันก็แยกได้ขาดสติลืมตัวมันก็เข้าไปรวมกันอีกก็ค่อยๆฝึกไปมาถึงวันนี้ถ้ายัางแยกธาแยกขันธ์ไม่เปน็นก็ถือว่าช้าไปหน่อยแนละ้วช้าไปต่อยฮะสมัยบราณแล้วไม่รู้มันเป็นไครต่อย เราต้องแยกธาตุแยกขันให้ได้นะการที่จะแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราจะตั้งมั่นได้นะถ้าเรารู้ถันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันง่ายๆแค่นั้นเองอย่างสมัยก่อนหาคนรู้สึกตัวนะหายากหลวงพ้อก็จะสอน ความรู้สึกตัวเป็นยังไงความรู้สึกตัวต้องไม่เผลอไปถ้าถ้าเผลอไม่รู้สึกตัวต้องไม่เพ่งเอาไว้ใครที่เรียนกับหลวงพ่อมานานๆจำได้ไหมสอนไม่เผลอกับไม่เพ่งจำได้ไหัหยถ้าเผลอไปก็ลืมตัวเองถ้าเพ่งไว้ก็บังคับกายบังคับใจให้เคร่งเครียดใจก็ไม่สามารถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในใจที่รู้ตัว นะใจตื่นใจเบิก บ, บานขึ้นมานะั้นมันไม่เผลอมันไม่เพ่งนี่พอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะ่ะขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญาขั้นแรกเลยนะคือการแยกธาตุแยกขันธ์การแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยยังไม่เริ่มวิปัสสนานะขนาดแยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังไม่เริ่มวิปัสสนาเลยนั่นคนที่รู้สึกตัวไม่เป็นเนี่ยไม่พูดเรื่องวิปัสสนาหรอกไม่ได้เรื่องเลย รู้สึกตัวเป็นแล้วนะยังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอีกก็ยังไม่เรียกว่าเดินปัญญาถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็เรียกว่าเจริญปัญญาละแต่ยังไม่ถึงขั้นเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่แค่แยกธาตุแยกขันธ์ได้แต่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์เห็นในร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะ เห็นกิเลสเห็นกุศลทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราต้องเห็นนะคำว่าเห็นนะคือคําที่ตรงที่สุดเลยคําว่าเห็นคําว่าปัตสนะวิปัสสนะปัตสนะแปลว่าเห็นภาษาไทยจะแปลว่าเห็นคําว่าวิเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องกอเห็นความเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจได้ยังไม่ขึ้นวิปัสนา นะอย่าเราแยกกายออกมาได้กายกับใจเป็นคนละอันนะเราเห็นเลยท้องกําลังพองท้องกําลังยุบใจเป็นคนดนะูมีปัญญาเบื้องต้นสามารถแยกกายแยกใจได้แต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นถึงขนาดว่าไอ้ตัวที่พองไอ้ตัวที่ยุบมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัตถุมเป็นก้อนธาตุมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจเข้ามันก็ทุกข์มันก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกหายใจออกมันก็ทุกข์มันแก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้านั่งอยู่มันก็ทุกข์นะขยับยุกยิกยุยนะทุกข์มากๆก็นั่งอยู่ต่อไปไม่ได้ต้องลุกขึ้นยืนนะต้องเดินต้องนอนเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ หรือว่าเห็นว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาเป็นความหมุนเวียนของธาตุธาตุมาประชุมกันชั่วคราวแล้วก็มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไปเรื่อยเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ําไปแล้วก็เป็นเหงื่อบ้างเป็นปัสสาวะบ้างอะไรบ้างเนื้อธาตุมันหมุนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกก้อนดินมันจะเป็นคนได้ยังไงมันจะเป็นเราได้ยังไง น้ำมันจะเป็นเราได้ยังไงนะลมไฟมันจะเป็นเราได้ยังไงเนี่ยถ้าถ้าเราเห็นอย่างทองแท้นะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเห็นอย่างทองแท้อย่างนี้ถือจะเรียกว่าวิปัสสนาถ้าเราทำวิปัสสนาได้แล้วเนี่ยวัน7เดือน7ปีเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มากผลมี ม, มีมีมากขึ้นมาแล้วนะโอกาสที่จะเป็นไปได้มีแต่ถ้าเราไม่สามารถ รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วแยกธาตุแยกขันไม่เป็นแยกธาตุแยกขันได้แล้วก็เพ่งธาตุเพ่งขันอยู่อีกนะ <_ d ata> ไม่เห็นใจรักของธาตุของขันอย่างนั้นไปไม่รอดนะ <_ d ata> บนรรลุมากผลยากงั้นเราค่อยๆพัฒนาใจของเรานะถ้าใจยังไม่รู้สึกตัวก็หัดรู้สึกตัวซะรู้สึกตัวแล้วมันก็รู้อยู่เฉยซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นรู้สบายสบายอยู่เฉยๆแค่นั้นไม่พอมาหัดแยกธาตุแยกขัน เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งเห็นกุศลอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งนะตรงนี้แยกธาตุแยกขันได้นะแล้วก็ยังไม่พอนะต้องเห็นเลยแต่ละธาตุแต่ละขันนะั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์ถ้าทําได้ขนาดนั้นแล้วก็มาผลนิพพานไม่หนีเราไปไหนหรอกไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่พวกเราจะทําได้นี่หลวงพ่อพาพวกเราเดินมาได้ทั้งค่อนทางแล้วรู้ตัวหรือเปล่านะ อย่างไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวเป็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยหลายคนนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกรู้สึกไหมว่าตกใจบางคนตกใจเลยนะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยตื่นเลยนึกว่าตื่นที่แท้ไม่เคยตื่นเลยพอรู้สึกตัวเป็นถึงรู้ว่าเพิ่งจะตื่นเนี่ยหลวงพ่อก็พาเดินมาช่วพวกเราตื่นชมาเยอะเลยตื่นขึ้นมาแล้วไม่พออาจให้แยกธาตุแยกขันไป ไม่ให้ตื่นแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยสบายบางคนก็เรียนกรรมฐานแล้วก็ฝึกจิตใจให้สงบนิ่งนิรันดรรู้ตัวอยู่เฉยประคองความรู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยอันนั้นไม่เดินปัญญาเลยนะไม่มีโอกาสได้มรรคได้ผลอะไรหรอกถ้านะจะได้มรรคผลนะมันจะต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์เพเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เขเบื่อหน่ายจึงคลายกำนัดคลายความยึดถือเราคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นได้มรรคได้ผลมันเริ่มมาจากการเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นใจรักของธาตุของขันงั้นการที่เราหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเป็นแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆนะมาดูธาตุดูขันมันทางานนะก็ค่อยๆแยกไปร่างกายมันนั่งอยู่ ใจเราเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูร่างกายนอนใจเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามีใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปถ้าไม่ถนัดที่จะแยกกายนะก็มาแยกนามมารรนะเช่นบางคนเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากเจ็บป่วยมากนะร่างกายเจ็บปวดค่อยๆหัดสังเกตไป ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความเจ็บปวดที่แทรกเข้ามาในร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง้วค่อยๆหัดแยกไปนะค่อยแยกค่อยดูไปหรือบางคนกิเลสแรงเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะกิเลสแรงก็ค่อยๆดูไปกิเลสกับจิตก็โคราดกันเนีหัดแยกไปนะงั้นถนัดดูกายแล้วก็แยกกายออกจากจิตถนัดดูเวทนาก็แยกเวทนาออกจากร่างกายออกจากจิต ถนัดดูจิตดูใจเห็นกิเลสทํางานเห็นบางคนขี้โมโหเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะเดี๋ยวไม่โกรธบางคนคี้โลบเดี๋ยวโอบเดี๋ยวไม่โอบเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลบวันๆนะมีหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยก็ค่อยๆหัดสังเกตไปความโกรธก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกความโลบก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยหัดแยกแยกแยกไปด้วยนะจะแยกเริ่มจากแยกกายกับจิตก่อนก็ได้หรือไม่ถนัดกาย ก็แยกความรู้สึกต่างๆออกจากจิตความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนะไม่ใช่จิตด อ, อกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดแยกไปเลยพอนะแยกได้แล้วบางคนก็พอใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูไปดูไปไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะสงบนิ่งสบายกิเลสไม่มาเลยอันนั้นติดสมถะอีกแลนะ้ไปเพ่งร่างกายไปเพ่งจิตก็เป็นสมถะนะ เพ่งกายก็เป็นสมถะไม่ใช่ว่าเพ่งจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเพ่งกายเป็นสมถะไม่ใช่เพ่งใส่อะไรนะเพ่งใส่ร่างกายแลก็เป็นการทําสมถะเพ่งใส่จิตก็เป็นการทําสมถะเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายก็เป็นวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ของจิตก็เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวิปัสสนาเห็นอะไรวิปัสสนาไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ดูไปเลยมีแต่ของไม่เที่ยงดูไปมีแต่ของที่ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาดูไปมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนะีย่ยฝึกดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนะงั้นเราอย่าไปติดค้างอยู่กับความดีในขั้นใดขั้นหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่สารเสริญความดีที่อยู่กับที่อย่างคนไม่เคยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นถามว่าดีไหมดีนะแต่จะรู้สึกตัวทั้งชาติอย่างนั้น ใช้ไม่ได้แล้วพระพระพุทธเจ้าไม่สารเสวนรู้สึกตัวเป็นก็เพื่อจะมารู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจได้รู้สึกตัวไม่ได้ใจล่องรอยหนีไปก็ลืมกายลืมใจไม่สามารถเจริญปัญญาต่อได้เรารู้สึกตัวขึ้นมานะเพื่อจะให้รู้กายรู้ใจได้พอรู้กายรู้ใจแล้วก็ค่อยๆดูไปแยกธาตุแยกขันธ์ไปพอแยกได้แล้วก็อย่าหยุดอยู่แค่นั้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้ถือว่าดี ดีกว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะแต่ว่าถ้าปีนี้ก็แยกธาตุขันได้ปีหน้าก็ยังแยกอยู่อย่างเก่านี่แหละนะไม่เห็นใจรักสักทีไม่ถือว่าดีแล้วละ่ะหยุดนิ่งอยู่กับที่ซอยเท้าอยู่กับที่นะไฟไม่รอดไม่ดีนะจากของที่เคยดีก็กลายเป็นไม่ดีไปแล้วนะยังไม่เคยรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ถือว่าดีนี้รู้สึกตัวไปนานเลยแยกธาตุแยกขันไม่เป็นสักทีถือว่าไม่ดีแล้ว แยกธาตุแยกขันได้ก็ถือว่าดีแยกอยู่นัแหละไม่เห็นใจรักสติเห็นร่างกายมันทํางานเห็นร่างกายมันเดินอย่างเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจจ้องอยู่กับร่างกายอย่างนี้ถือว่าไม่ดีอีกแล้วล่ะทีแรกก็ว่าดีนะนานนานไปถือไว่ใช้ไม่ได้ย่ําเท้าอยู่กับที่ต้องค่อยๆดูใจรักถ้าเห็นใจรักของกายเห็นใจรักของใจได้ถือว่าดีแต่เห็นแล้วเนี่ย ปีนี้ก็เห็นปีหน้าก็เห็นถือว่าดีไหมซ้ำแล้วซ้ำอีกถือว่าดีเพราะสูงสุดที่เราทําได้คือแค่นั้นแหละนะสูงสุดที่เราจะปฏิบัติกันนะก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือจุดสูงสุดที่พวกเราทําได้เพราะรานถ้าเราทาอยู่ในจุดนี้ได้ถือว่าดีแล้วละ่นะถึงจะต้องทําซ้ำอยู่อย่างนี้ตั้งเจวัน7ดเดือน7ปีก็ถือว่าดี เพราะว่าถัดจากนี้เป็นเรื่องของการบรรลุมรรคผลแล้วมรรคผลนั้นไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุได้จิตจะบรรลุของจิตเองนะเราสั่งไม่ได้ให้บรรลุมรรคผลเร็วๆพรนะเจ้าท่านก็เทศไว้นะบอกว่าภิสูจนทั้งหลายชาวนาเนี่ยมีหน้าที่สประการนะชาวนาเวลาฝนตกเขาก็ไปไถนานี่งานที่หนึ่งไถนาเสร็จก็ไปทำหน้าที่ที่สองไปหวานข้าว หวานข้าวเสร็จก็มีหน้าที่ที่สคอยดูแลระดับน้ําน้ํามากไปก็เอาออกน้ําน้อยไปก็เอาเข้าออนะถึงเวลาแล้วเนี่ยข้าวจะออกรวงเองท่านว่าอย่างนี้นะเราสั่งให้ข้าวออกรวงเร็วๆตามใจชอบไม่ได้เราทําเงื่อนไขที่เออํานวยให้ข้าวออกรวงข้าวก็จะออกรวงพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอก็มีหน้าที่3ประการนะหนศีลสิกขา2จิตตสิกขา3ปัญญาสิกขา ศีลสิกขาคือเรียนรู้ว่าทํำยังไงศีลที่ไม่มีจะมีศีลที่มีแล้วจะมั่นคงกลายเป็นศีลอัตโนมัติจิตรศริษขาก็จะเรียนจนสามารถรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนะจิตอย่างนี้เป็นกุศลจิตอย่างนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนี้ใช้ทําสมถะจิตอย่างนี้ใช้เดินมิปัสสนานี่ไแยกได้แยกได้เวลาที่เราปฏิบัตินะพอลงมือปฏิบัติจิตก็แน่นฝึกขึ้นมาเลยเนะี แล้วก็จะรู้ทัน ว, ว่าจิตเป็นอกุศลแล้วจิตแน่นๆเนี่ยอกุศลนะลักษณะจิตที่เป็นอกุศลนะั้นมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อมันมีราคา้าโทสะโมหะแทรกอยู่งั้นพอลงมือปฏิบัติก็แข็งไปหมดเลยลต้องรู้ทันว่าไปหลงสร้างอากุศลแล้วไม่ได้ดีหรอกนะถ้าจิตที่เป็นจิตที่เป็นกุศลนะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ ไม่มีราคาตัวสามโมหะครอบงำอยู่ในขณะนั้นเนี่ยถ้าเราแยกเป็นหรือเราต้องการพักผ่อนต้องการพักผ่อนแล้วก็รู้ว่าวิธีจะพักผ่อนนะเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเช่นอยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธจิตก็สงบเนี่เรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขแล้วเราก็รู้ลมหายใจจิตก็สงบเนี่ยเราก็รู้วิธีเนี่เป็นผลจากจิตศิก ข, ขาทั้งสิ้นเลยนะ หรือเรารู้วิธีที่เจริญวิปัสสนาจะทําวิปัสสนาเราทํำยังไงก็ต้องอาศัยสติไปรู้รูปนามกายใจตามความเป็นจริงนะคือเห็นใจรักของกายของใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะถ้าเราชํชนานีชํานาญในเรื่องจิตศิษฐ์าเราก็แยกได้อย่างนี้กุศลอย่างนี้อกุศลอย่างนี้ทําสมถะอย่างนี้ใช้ทําวนะิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง จิตมันสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่เจตนานี่สมาธิอัตโนมัติเกิดนะค่อยๆฝึกไปตั้งแต่เริ่มต้นศีลนะจนทีแรกก็ศีลตั้งใจต่อไปเป็นศีลอัตโนมัติสมาธิทีแรกก็ต้องคอยตั้งใจต่อไปเป็นสมาธิอัตโนมัติถึงขั้นปัญญาเราก็ต้องรู้การปัญญาแยกรูปแยกนามได้ก็มีปัญญาแต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนา วิปัสนาเนี่ยเห็นแจ้งเห็นจริงต้องเห็นรูปแต่ละรูปนั้นแสดงไตรลักษณ์เห็นนามแต่ละนามแสดงไตรลักษณ์เรียขึ้นวิปัสนาเดินปัญญาถึงขั้นวิปัสนาปัญญามีสองขั้นนะปัญญาในขั้นซึ่งยังไม่เป็นวิปัสนากับปัญญาในขั้นที่เป็นวิปัสนาปัญญาในขั้นที่แยกรูปแยกนามได้เนี่ยยังไม่เป็นวิปัสนาแล้เพราะว่าพอแยกรูปแยกนามได้มันไปเพ่งรูปเพ่งนาม แยกกายออกมาได้ก็ไปเพ่งร่างกายเห็นร่างกายมันเดินก็เพ่งไว้หรือไปแยกจิตออกมาได้ก็ไปเพ่งจิตไว้เฉยๆนะไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษ์รูปพอแสดงไตรลักษนะ์รูปร่างกายเราเนี้จะแสดงตัวทุกข์กับแสดงตัวอนัตตาได้เด่นนะส่วนนามธรรมานี้จะแสดงอนิจจังกับอนัตตาได้เด่นเนะนี่ยค่อยหัดรู้หัดดูไปเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้ ในใจรักษนั้นเห็นอันแดนหนึ่งก็พอแล้วไม่ใช่ต้องเห็นทุกอันหรอกเราเวลาบรรลุพระอรหันต์นะก็เห็นอันแดนหนึ่งเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็จะเห็นแจ้งก็ปล่อยวางได้บางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนิจจังบางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นทุกขังบางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนัตตาจิตเขาเห็นของเขาเองไม่ใช่เราเห็นเราเลือกไม่ได้ เนี่ยถ้าเรามีศีลสิกขามีจิตสิกขามีปัญญาสิกขาแก่รอบนะจนถึงขั้นปัญญาอัตโนมัตินะเห็นอะไรก็เห็นแตกตัวเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยแต่ละส่วนตกอยู่ใต้ไตรลักษ์ไปเลยไม่เจตนาจะเห็นก็เห็นนี่เรื่องปัญญาอัตโนมัติพอเราฝึกได้จนศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะกำลังมันแก่กล้าพอบุญบรารมีเรามากพอเราจะบรรลุมรรคผลลนะ จิตมันจะรวมของมันเองไม่ต้องเจตนาให้จิตรวมนะจิตจะรวมเข้าไปที่จิตไม่ไปรวมอยู่กับลมหายใจไม่ไปรวมอยู่ที่ท้องพองยุบไม่ไปรวมอยู่ที่มือจิตจะรวมลงที่เดียวคือรวมลงที่จิตพะจิตรวมลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาเนี่ยไม่ไม่ใช่ของจริงเวลาที่เกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยไม่ใช่พบนะเป็นโลกุตระภูมิไม่ใช่กรมอวาจรภูมิไม่ใช่ รูปมารูปอะไรที่เป็นภูมิที่เวียนว่ายใจเกิดขณะที่บรรลุมรู้มากบรรลุผลเนี่ยจิตพ้นจากพบพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่ง น, นะในขณะนั้นเป็นโลกุตตะละพขาพจากภพบพบทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรพบทางใจนี่นะเกิดจากความจงใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาความจงใจอย่างเราจงใจจะปฏิบัติเนี่ยจิตจะสร้างพบทันทีเลย แต่อาศัยสร้างพพไปนะแล้วก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาจนแก่รอบถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าที่จิตไม่เป็นพพเพราะไม่ได้เจตนารวมไม่มีเจตนาเนะเจตนานี่เป็นตัวร้ายเลยนะเป็นตัวร้ายเลยแต่เบื้องต้นต้องเจตนาก่อนเช่นเจตนารักษาศีลต่อไปไม่ต้องเจตนาศีลมีเองเจตนาฝึกจิตให้ตั้งมั่นต่อไปไม่ต้องเจตนาตั้งเอง เจตนาแยกธาตุแยกขันธ์เจตนาดูกายดูใจแสดงใจลักษณ์เนต่อไปไม่ต้องไม่ต้องเจตนาตรงจุดที่มันไม่ต้องเจตนาแต่มันสามารถทำได้มีศีลสมาธิปัญญาได้โดยไม่เจตนาตัวนั้นแหละกําลังมากพอที่จะเกิดอริยมรรคแล้วนั้นตอนนี้เราก็เจตนานพัฒนาให้มีศีลมีสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราพัฒนาอาศัยสติเป็นเครื่องมือนะ มีสติคอยรู้ทันจิตใจเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงโลวุปูป่หลวงเหรียญเทศใช่ไหมให้มีสติคุ้มครองจิตท่านอะไรนะสติควบคุมจิตอะไรย่างเงี้ยถ้าใช้คําที่ตรงก็คือสตินั้นเป็นตัวคุ้มครองจิตตรงปริยักษ์ตรงพระไตรปิฎกสติทําหน้าที่คุ้มครองเราไม่ต้องไปทําอะไรเราไม่ต้องไปบังคับจิตนะถ้ากิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันปั๊บนะ กิเลดับเองกิเลดับปั๊บเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดหรือจิตรเราฟุ้งซ่านจิตมันเคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันปัปนะ๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดแล้วก็มีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาจะเกิดนะเพราะเราฝึกจนกระทั่งสติก็อัตโนมัตนะินะศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันก็ค่อยๆตามมา พอกำลังมันมากพอเนี่ยถึงจุดที่กําลังมันมากพอถึงจุดที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยเป็นภาวะที่แปลกประหลาดเรานึกไม่ถึงว่าขณะนั้นจะเกิดอริยมรรคถ้าเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเกือบจะเกิดแล้วเกือบจะเกิดแล้วรับรองไม่เกิดนะหรือเรายังจงใจปฏิบัติอยู่รับรองไม่เกิดอริยมรรคอริยมรรคเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจนะ่ารคล้ายๆมันเล่นทีเผลอนะ ไม่ทันตั้งตัวกิเลสนะไม่ทันตั้งตัวนะศีล ส, สมาธิปัญญารวมตัวกันขึ้นมาจัดการกิเลสตอนที่มันไม่ทันระวังตัวถ้ามันคอยจ้องคอยดูอยู่ไม่ไม่เกิดนะดังนั้นตอนที่เราฝึกเราพ้อยฝึกทุกวันทุกวันนะมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเรื่อยกิเลสเกิดรู้ทันศีลมันก็มาความฟุ้งซ่านความที่จิตเลื่อนไหลไปเกิดขึ้นเรารู้ทันมีสติรู้ทันสมาธิมันก็มานะ ก็แยกท่าแจกขันไปเห็นธาเห็นขันแสดงใจรักไปหน้าที่ของเรามีแค่นี้เองนะถึงจุดที่เขาพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมรวมที่ไหนรวมเข้าที่จิตนี่เองที่แตกต่างกับสมาธิอื่นๆสมาธิของลือสีจิตรวมเข้าที่ตัวอารมณ์เช่นไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องผองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าสมาธิอย่างนี้ไม่เกิดมรรคผล สมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตมันตั้งเองอย่างทีแรกเราฝึกเราเห็นจิตเคลื่อนเรารู้มันก็กลับมาเห็นไหมอยู่ได้แป๊บเดียวก็เคลื่อนอีกก็กลับมาฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยนะยินบุญบา ร, รมีพ อ, เ น, เ, าา เ, อเนี่ยมันเข้ามาเองเลมันเข้ามาเองแล้วคราวนี้สติะระลึกรู้ลงที่จิตไม่ะระลึกรู้อารมณ์ภายนอกแล้วนะสติะระลึกรู้ลงที่จิตเลยเห็นความปรุงแต่งภายในจิตเกิดขึ้น สองขณะ3 า, าขณะปลุงขึ้นมาในจิตนี่เองนะปัญญาเขาเกิดขึ้นที่จิตอย่างรู้ลงมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยปัญญามันรู้แต่ตรงที่ปัญญารู้ในขั้นนี้ไม่มีคำพูดนะถ้านั่งสมาธิอยู่จิตมันพูดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับยังไม่จริงหรอกนะในจริงไม่มีคำพูดหรอกนะมันเหนือคำพูดตรงนี้ไม่ได้เจตนาบางทีภาวนาไปเรื่อยๆนะได้ยินเสียงอีการ้อง ได้ยินอีการ้องเพบจิตรวมเข้าฐานขาดเลยก็มีนะอใครเคยรู้จักชื่ออีคิวสังบ้างรู้จักไหมรู้จักหลวงพ่อยังไม่รู้จักเลยตายไปตั้งนานแล้วอีคิวสังนะตามประวัติเนี่ยซาโตริได้ธรรมะครั้งแรกได้ยินอีการ้องจิตรวมเข้าตื่นจิตนะแล้วพวกเราไปอ่านประวัติอีคิวสังโอไ้ได้พระอีกาเวหาอีกามาเลี้ยงที่บ้านเนาะ ฟังมันร้องทุกวันทุกวันไม่ได้กินหรอกมันมันทำไมไม่ได้กินมันมีเจตนาเนี่ยเจตนามสร้างพบไปเรื่อยเลยยี่คิวซังภาวนามาเต็มเหนียวแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วได้ยินอีกร้องจิตหลุดออกมาเลยนะหรือไปอ่านประวัติพวกอาจารย์เซนนะนะบางทีลูกศิษย์เดินผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักเลยพอลูกศิษย์ขาหักปุ๊บนะลูกศิษย์สาโตริเลย พวกเราถเอาขาไปให้ประตูนหนีบไม่สาโตรี่หรอกเนาะทีไม่ได้เจตนาน่นไม่มีเจตนานะแต่ว่ากำลังของศีลสมาธิเป็นญย่านั้นมันสมบูรณ์เต็มตัวแล้วในขณะนั้นในเวลาขณะนั้นในคำพีเราพูดถึงขนาดว่าถ้าบุญบา ร, รมีเราพอนะขนาดว่าชาตินี้จะบรรลุพระอรหันนะต์นะตอนเด็กๆเกนี่ยคนเอาไปฆ่ายัางไม่ตายเลย ทำไงก็ไม่ตายจะต้องบรรลุพระอรหันต์นะในชีวิตนีนะ้ถึงวาระที่จะบรรลุแล้วเนบารมีมันรวมตัวนะมันรักษาไม่ตายในสมัยพุทธกาลมันมีพระองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีตอนเกิดใหม่ๆเขาเอาไปอาบน้ําในแม่น้ําคงขาแล้วถูกปลาตัวใหญ่มันพุบงอาไปพี่เลี้ยงนี่ช่วยมากเลยนะเอาเด็กเล็กไปอาบน้ําในแม่น้ําแล้วปล่อยให้ปลาพุ่งมาไปนะปลาเนี่ยมันมันว่ายไปอีกเมืองหนึ่งนะ แล้วไปโดนจับเข้าผ่าตาตัวนี้อ้วนพิเศษนะท้องยุ้ยเลยพาออกมาเจอเด็กอะ่ะเด็กไม่ตายนะเด็กคนนี้ไม่ตายรู้สะพระผากุละเนะนี่ยเด็กคนนี้โตขึ้นมานะต่อมาบรรลุพระอรหันตนะ์ทำไมไม่ตายตอนเด็กๆ เ, เพราะว่าถึงวาระแล้วชาตินี้จะต้องเป็นพระอรหันตนะ์บุญบารมีมันหนุนขึ้นมานะแล้วเป็นพระอรหันต์ที่อายุยืนมากเลย เป็นพระอราหาัรที่ไม่เคยป่วยเลยเป็นเอตทักคะทางไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีใครอยากได้เอตทักคะอย่างนี้บ้างจะบอกวิธีให้เอาไหมไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีเอาไหมต้องตั้งออกตั้งใจทําบุญทําทานไปนะแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งแล้วก็สร้างบุญอย่างใหญ่โตสร้างมหาทานในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นะแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐาน ขอเป็นเอตทักคะทางไม่เจ็บป่วยเราถ้าท่านรับรองนะอีกแสนกับข้างหน้าเราก็ได้แล้วล่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้อัตโนมัติไปหมดนะอัตโนมัติค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นไม่อัตโนมัติเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนแต่รู้ทันว่ายังจงใจเพราะจงใจของเราจะเจือโลภจะเป็นโลภะเจตนาเสมอมเวลาคิดถึงกา ร, รปฏิบัติโลภไหมแน่นไหม จิตที่แน่นขึ้นมาเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลแต่ต้องทำไหมต้องทำไหยค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเดินจงกรมแล้วเครียดไหมนั่งสมาธิใหม่ๆก็เครียดใช่ไหมก็ต้องทนเอานะแล้วก็ค่อยรู้ถันว่านี่รลบมากไปสอนตัวเองเขกหัวทิงไอ้รบเออเองอย่ารอบมากแล้เลยกูเหนื่อยสอนมันบ้างรอบมากก็เหนื่อยนะค่อยๆสอนมันไป แต่แต่ไปไม่ค่อยอัตโนมัตินะในสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติศีลอะไรตอนอะไรมันอัตโนมัติหมดคุณงามความดีอัตโนมัติหมดถึงจุดหนึ่งเนี่ยความดีมันรวมตัวเข้าที่จิตรวมพลังเข้าที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวนะอริยมรรคจะเกิดนะพวกเราต้องฝึกเอานะถ้าไม่ทําก็ไม่ได้หรอกคนสองคนนะคืมวติเป็นเพื่อนกันหรือเติบโตมาด้วยกันคนหนึ่ง หักภาวนาคนหนึ่งไม่ภาวนาผ่านไปไม่กี่ปีสองคนนี้เหมือนฟ้ากับเหวแนะแต่เดิมก็อยู่ในก้นเหวด้วยกันนะคนหนึ่งตักกายขึ้นมาปากเหวได้แนละ้วนฝพวกเราถ้าไม่ภาวนานะนานไปเราจะเห็นในคนรอบๆตัวเราที่สาราลูชินเนี่ยทาไมมันดูผ่องใสว่าทำไมหน้าตาเราเหมือนกวายเหวนะ่ดูไม่ได้เลยยับย่นยุยย่งเครียดตลอดอเงี้ย เงื่อนเราอย่าละเลยนะค่อยๆทําค่อยๆทําทําไปทีละเล็กทีละน้อยนะล้มลุกคลุกคลานก็ต้องทํานะคนโบราณสอนดีนะล้มลุกคลุกคลานใหญ่ได้ยินไหมล้มแล้วต้องลุกนะคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปใหญ่คลุกอยู่ที่เดียวหมายถึงว่าต้องสู้ต้องดิ้นรนต่อสู้เอาความดีไม่ใช่ของฟรีนะมรคนไม่ใช่ของฟรีต้องลงตุนลงแรงแต่ลงตุนลงแรงแบบบัวแบบควายก็เหนื่อยเปล่านะ เราลงทุนลงแรงให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็จะไม่เหลือวิสัยหรอกอนะันแรกถือศีลห้าไว้ก่อนอนะั้นที่สองพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวค่อยรู้สึกตัวบ่อยๆใจหนีไปแล้วคอยรู้ใจหนีไปแล้วรูนะ้ใจก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองพอใจกลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็หัดแยกธาตุแยกขันค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งสมมุติว่าเรามันแยกไม่ออก บางคนพอรู้สึกตัวปุ๊บนะถ้าบุญบา ร, รมีเก่ามีเคยสร้างสมมานานแล้วเนี่ยค่ารู้สึกตัวปุ๊บนะักขันแตกเลยขันจะแยกเลยแต่ถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันหน่อยนะวิธีช่วยมันก็คือไปนั่งสมาธิไม่นั่งเอาสงบนะนั่งแล้วก็ค่อยๆสังเกตเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจอยู่แล้วมีคนหนึ่งเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยใครเป็นคนรู้สึก จิตมันเป็นคนรู้สึกค่อยๆดูไปในส่วนมันแยกได้กายกับจิตมันคนละอันกันนะนี่ร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วทำไมร่างกายมันเคลื่อนไหวชั่วจิตมันเป็นคนสั่งให้เคลื่อนไหวเมื่อวานมีคนไปส่งกันบ้านบอกว่าเดินจงกรมอยู่แล้วเดินไปเดินไปก็เห็นว่าเอ๊ะร่างกายมันเดินได้เองจิตไม่ได้สั่งเลยร่างกายเดินได้เองบอกไม่ใช่ดูผิดละมันมีจิตดวงหนึ่งสั่งให้เดิน รูปเดินอย่างปรากฏอยู่นะแต่ไอ้จิตที่สั่งให้รูปเดินเนี่ยมันดับไปแล้วเพราะจิตมันดับเร็วเกิดแวบมันก็ดับนะไอ้รูปยังเดินด้วยอำนาจที่จิตสั่งอยู่มันเกิดจิตดวงใหม่ไม่ได้สั่งนะจิตดวงใหม่มันเป็นคนรู้มันเลยเห็นไอ้รูปนี่มันมันเดินได้เองนะมันไม่ใช่เราหรอกนีไม่จะเห็นอย่างนั้นไปเห็นก็ถูกเหมือนกันนะแต่ความจริงที่รูปมันเดินได้ก็เพราะจิตมันสั่งนะแต่มันเป็นจิตคนละดวงที่สั่งไอ้ดวงที่สั่งมันตายไปแล้ว เกิจิตดวงใหม่ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่เห็นร่างกายเดินตัวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนั้นถ้าถนัดนั่งนะเขาไปนั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้จนะนั่งกับพื้นก็ได้นะนั่งตามสะดวกนั่งแล้วก็ทําใจสบายอย่าเคร่งเครียดนั่งแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปเออร่างกายมันนั่งนะนี่ร่างกายมันกระดิกมือด้วยแกล้งเจตนาหน่อยเนะนี่ยดูสิเออมันกระดิกมือเราก็ดูมันเหมือนเห็นคนอื่นขยั บ, ข ย, บขยับนะ ค่อยๆทาใจดูไปด้วยแล้วร่างกายมันถูกดูพราะเราดูไปเรื่อยๆร่างกายใจมันจะรู้สึกว่าเป็นคนละอันไปแยกได้คนละอนแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอิเดียบทนะนั่งไปให้นานเอาให้เมื่อยไปเลยนะไหนๆอยากได้ธรรมะแล้วทนเมื่อยเอาหน่อยนะที่ช็อปปิ้งต้งหลายชั่วโมงเมื่อยจะตายไม่ว่าอะไรใช่ไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมแป๊บๆโอยจะขาดใจแล้วจิตใจมันท้อแท้ องการกำลังใจจากหลวงพ่อฝั่งเราขันไม้ขันมือมากเลยตีเองช <c oughs> นะ้อปปิ้งนั้นเองไปได้ทั้งวันเลยเนาะห้างเดียวไม่พอเดินดูสิอยากรวยลักหนาเดินจริงทั้งหลายห้างเออเนี่ยเพราะงั้นอดทนบ้างเวลาจะสร้างความดีใส่ตัวนะนั่งก็นั่งเดินก็เดินค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกไปด้วยเดินมากๆมันก็ปวดมันเมื่อย นั่งมากๆมันก็ปวดเมื่อยก็ค่อยๆสังเกตไปอีกไอ้ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปคราวนี้แยกได้สามขันละแยกรูปใช่ไหมหรือร่างกายแยกความปวดเมื่อยเนี่ยเรียกเวทนาจิตที่เป็นคนดูเป็นวิญญาณอยู่ในวิญญาณขันแยกได้สามขันนะปวดเมื่อยก็นั่งดูมันไปให้เห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งปวดเมื่อยก็ส่วนหนึ่งไม่ได้นั่งเอาชนะความปวดเมื่อยนะ บางคนเขาเข้าใจผิดไปนั่งสมาธิแล้วก็มาคุยวอวดหลวงพ่อว่านั่งโต้รุ่งได้เลยที่แรกปวดแทบตายแล้วนั่งจนชนะความเจ็บปวดถามชนะไปทำไรชนะความเจ็บปวดสุดท้ายความเจ็บปวดมันขยี้ตายทุกรายแต่ไม่มีใครชนะมนันหรอกนะนั่งเพื่อแยกหัดแยกตาหากว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยส่วนในจิตอยู่ตาหากเป็นอีกส่วนหนึ่งพอปวดมากๆนะจิตจะเริ่มทุรนทุราย จะสับกระส่ายแล้วอย่านั่งนานเลยนั่งมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะเป็นอมภพาดมันสอนนะมันสอนหรือนั่งมากอย่างเนี้เดี๋ยวหลวงพ่อประโมทติเตียนว่าเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกนะอ้างไปนู่นอีกนะหลวงพ่อประโมทไม่เคยบอกด้วยอย่าเป็นอย่าไปนั่งแล้ว <c oughs> น, น, นั่งเนี่ยจิตมันจะเริ่มหลอกหลอนเราจิตที่หลอกหลอนเราเนี่ยชื่อว่าสังขารนะมันสังขารมันปรุงมันหลอกแนละ้ว ปลุงโน้นปรุงนี้นะปรุงความทุรนทุรายความห่วงใหญ่ร่างกายขึ้นมาบางคนก็ปรุงมากพราผู้นี้ต้องทํางานนะผู้นี้ต้องไปฟังเทศแต่เช้าเลยคืนนี้นอนดีกว่าอย่านั่งต่อเลยนะระหว่างนั่งสมาธิก็ไปฟังเทศแตลเช้นกันเลยนะถูกกกิเลลออลลหหอแ้วววดัตื่นสายเดี๋ยวมาฟังเ ท, ท้นนะนอนดีกว่าอย่าภาวนาเลยเนะี่ยใครเป็นอย่างนี้บ้างเมื่อคือนมีไห้ยกมือซิ หาเยอะขนาดนั้นใช่หรออั น, นิจจาว่าจะสังขาระโดนหลอกอีกแล้วไอ้หนูเนี่คยค่อยๆดูไปนะมันจะยั่วยวนเรามันจะสอนเราสังขารมันจะปรุงทุรนทุไลห่วงกังวลร่างกายอนะไรนี่ค่อยรู้ไปจะเห็นเลยว่าความทุรนทุายของจิตนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดนะไม่ใช่ความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิต เป็นสิ่งที่จิตไปรู้หัดแยกในะแยกได้สี่ขันขันที่หสัญญาช่างมันก่อน๋ยวเพิ่งไปยุ่งกับมันสัญญานี่เว้นไว้ก่อนนะไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวมันเพี้ยนหนักกว่าเก่าทุกวันนี้พวกเราเป็นสัญญาวิปรัสดอยู่แล้วนะอุทุชนทุกคนเป็นสัญญาวิปรัสดนะสัญญาวิปรัสดเป็นยังไงนะหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างาม หมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตน ว, ว่าเรารู้สึกไ้มในนี้มีเราคนหนึ่งเนี่ยมันวิปรภาพอยู่แล้วงั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันปล่อยมไปก่อนเรียนใอ้ขันสี่ขันนี้ไปก่อนนะแล้วต่อไปมันจะภาวนาพอละเอียดขึ้นนมันจะเห็นได้สัญญาสัญญานี้ตัวร้ายมากเลยตัวหลอกลวงตัวร้ายสุดๆเลยนะแต่สัญญาทางดีก็มีนะเช่น อนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาหมายรู้ในเชิงของอนิจจังทุกขออัอนัตตานี่เป็นสัญญาฝ่ายดีส่วนสัญญาฝ่ายชั่วนี่หลอกเราหลอกว่ามีตัวมีตนหลอกว่าเที่ยงหลอกว่าสุขอย่างพวกเราผู้ชุชนคนไหนคนไหนยังรู้สึกว่าในนี้มีเราคนหนึ่งที่เที่ยงบ้างเราคนนี้ก็เราปีกลายคนเดิมมีแม้ยกมือสิยังไม่ได้โสดาน ะ, อ, ะอย่างนี้ต้องรู้เลยยังไม่ได้โสดา มีตัวหนึ่งเที่ยงอยู่ไหมเนี่ยสัญญาวิปลาสอยู่นะรู้สึกไหมว่าตอนนี้มีความสุขนะเห็นไหมว่าสุขเป็นตัวทุกขความสุขกําลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ไม่เห็นนะเราเห็นสุขก็คือสุขจริงๆเลยนี่ก็วิปลาสนะเห็นของที่เป็นทุกขนะ์ว่าเป็นตัวสุขนะรู้สึกไหมร่างกายเราเที่ยงสองกระจกเมื่อวานกับวันนี้หน้าเหมือนเดิม สิวก็ยังเม็ดเก่าอย่างนี้นะหน้ามันเที่ยงถ้าไปดูรูปภาพปีกลายจะเห็นว่าไม่เที่ยงะถูกหลอกก็เที่ยงใครรู้สึกว่าตัวเองสวยบ้างยกสิยกมือซิใครรู้สึกว่าตัวเองสวยโถใครว่าตัวเองหลอ่อบ้างมีไหมเลยไม่กล้ายกเลยลึกๆอ่ะรู้สึกไหมเราก็หล่อเหมือนกัน ดูส่องหัวถึงเท้าส่องไปม า, มาโอ้ขนตาเราสวยหาอะไรสวยไม่ได้ขนตาสวยก็ยังดีเนี <c> ่ <oughs> เห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว <c oughs> ่างามพ่อใหญงนี้วิปลัลานี่ปล่อยบาก่อนนะตัวสัญญามันเพี้ยนอยู่ดูของจริงไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันหายเพี้ยนสัญญามันจะหายเพี้ยนดูกายดูใจดูรูปดูนามดูเวทนาอะไรเงี้ยทางานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสัญญามันหายเพี้ยนว่าปัญญามันเกิด มันรู้เลยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามก็ล้างความหมายรู้ผิดผิดว่าเที่ยงว่าว่าสุขว่าอัตตานะไปฝึกพอสู้ไหมหลวงพ่อสอนกรรมฐานละเอียดนะสอนให้เราทําได้ง่ายๆเลยทุกวันนี้พวกเราพอนาเป็นนี่เยอะแยะไปหมดแล้วรอเวลาเท่านั้นเองที่จะบรรลุมรรคผลนะรอเท่านั้นแหละถ้าเราสามารถแยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุขันแสดงใจรักแล้ว มักผลอยู่ไม่ไกลแล้วละ่ะแต่เดิมเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทำบุญทําทานรู้สึกไหมมักผลอยู่ไกลโอ้คง อ, อ, อ, อ, อีกแสนชาติถึงจะถึงนะใครเคยรู้สึกว่าอยู่ใกล้ไกลไม่มีอนหักคตเลยนะรู้สึกไม่มีอนหักคตเลยเพราะไม่ได้เรียนหลักที่พุทธเจ้าสอนถ้าเรียนศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขารู้ไม่ไกลแล้วพอเรียนเรียนเรียนนะขันแตกออกมาแล้วเห็นขันแสดงใจรักได้แล้ว แต่เวลาที่ขันแสดงใจรักได้แล้วไม่ได้แสดงทั้งวันนะเมือขันจะแสดงใจรักได้เป็นคราวๆแล้วเสร็จแล้วไม่จะกลับไปดูรูปดูนามต่อตรงที่มันอย่างมันเห็นร่างกายเห็นร่างกายพองร่างกายยุบนี่อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตัวที่เห็นเลยตัวที่พองทุยยุบเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรามันถูกความทุกข์บีบคั้นให้เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไม่ใช่คิดนะถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเห็นแลรูปพองรูปยุบไม่ไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นแค่รูปอย่างนี้ขึ้นวิปัสนาแต่ตรงที่มีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี้ยจะสั้นนิดเดียวนะแป๊บเดียวมันก็จะกลับไปเห็นท้องฟองท้องยุบอย่างเดิมหรือไปเห็นร่างกายหายใจอย่างเดิมตรงที่เห็นร่างกายหายใจยังไม่เป็นวิปัสนาตรงเห็นไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราอันี้เป็นวิปัสนามันเห็นแวบๆงั้นเวลาที่เดินวิปัสนาเนี่ยเดินนิดเดียวจะเดินสั้นๆนะแล้วมันจะกลับไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจ ตัวที่ไปรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามเนะี่ยยังไม่เป็นวิปัสสนามจะพลิกกลับเป็นอะไรเป็นสมถะเพราะอะไรไปรู้รูปก็คือรู้อารมณ์เดียวใช่ไหมไปรู้นามก็คือรู้อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องก็คือสมถะเพราะฉนั้นเวลาที่เราจเจริญปัญญาบอกเราทําวิปัสนาอยู่ทําไมบางคนกลายเป็นวิปัสนูภิกิเลส น, นะเพราะว่าขณะนั้นจิตมันพลิกไปแล้วมันไม่ทําวิปัสนาแนละ้วมันตกจากวิปัสนาแนละมันกลายไปหลงเพ่งรูปหลงเพ่งนาม เราเป็นหลงเพ่งรูปเพ่งนามแล้วเนี่ยอาการวิปัสสนูจะเกิดนะเช่นเราเห็นกิเลสเกิดโทสะเกิดโทสะผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกใครเคยเห็นไหมผุดขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมเรามีสติไปรู้โทสามันหนีหนีฟื้ออกไปอยู่ข้างนอกเราก็ตามนี่ไหมจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตเราไม่ถึงฐานนะจิตเราไหลาตามมันออกไปตามไปทําอะไรไปเพ่งตัวโทสะนั่นเอง ไปเพ่งอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะไปแล้วนะแต่ตกจากวิปัสนาะล้จิตไม่ถึงฐานปุ๊บลงออกไปโทสะดับโทสะดับแลคราวนี้จิตจะว่างว่างอยู่ข้างนอกงั้นพวกดูจิตดูจิตนะนักดูจิตเนี่ยเวลาเจอวิปัสโนเนี่ยเกือบร้อยละร้อยจะเจอวิปัสโนชนิดที่เรียกว่าโอภาษโอภาษเป็นวิปัสโนเบอร์หนึ่งนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยโอภาษ์เนี่ย จิตมันจะไหลออกข้างนอกไปแล้วไปสว่างว่างอยู่นะแล้วถ้าเราไม่รู้ทันโอ้ไม่มีกิเลสแล้วไม่มีความทุกข์แล้วคิดว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยเพราะเรารู้ไม่เท่าทันจิตมันไหลออกไปถ้าเรารู้ทันว่าเนี่ยจิตกําลังหลงอยู่ข้างนอกนะจิตกลับเข้ามาหายทันทีนะมีปสัสจุบันสิบประการเนี่ยถ้าจิตถึงฐานเราหายหมดเลยนะเวลาเดินปัญญาเนี่ยเดินทีละแว บ, บนะเดินสั้นๆแวบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเข้าไป กลายเป็นสมถะไปดูรูปดูนามนะนานนานทีก็เห็นไสรลักษณ์ของรูปนามทนะีเดี๋ยวก็กลับไปดูรูปดูนามอีกเพราะงั้นไม่แปลกเลยนะที่ถ้าเราจะดูจิต ด, ดูใจของเราเรื่อยแล้ววันหนึ่งเราเข้าฌานเป็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ว่าไปดูดูไม่ได้ทํำวิปัสสนาไมนะกลายไปไปเพ่งตัวอารมณ์หรือไปเพ่งตัวรูปตัวนามนะถ้าเพ่งอารมณ์หรือเพ่งรูปเพ่งนามเป็นสมถะทั้งหมดเลย จะได้สมาธิขึ้นมาฝนะึกนะสนุกสนุกมีเรื่องให้เรียนตั้งเยอะไนงะวิชาทางโลกพวกเราก็เรียนกันมาเยอะแล้วนะวิชาทางธรรมนี่สนุกมากเลยหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแล้วก็ไม่ได้มีบุญบา ร, รมีอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยรู้สึกมันชะมัดเลยนะใช้คำว่ามันนะดูจิต ด, ดูใจตัวเอง เ, องเนี่ยแต่เดิมพุโทโธหายใจ ได้ความสงบนะออกไปเห็นเทวดาเห็นอะไรจืดชืดกลอยนะรู้สึกว่างานนี้ไม่เอาไม่เห็นสนุกเลยไปดูสมบัติชาวบ้านไปเห็นเทวดากินอาหารอย่างเราไปเห็นเทวดามีอาหารทิพเรากินของเขาได้ไหมเขกินไม่ได้เสียเวลารู้สึกรสาระไปดูเขาอยู่วิมานสวยเราก็อยู่ไม่ได้นะไม่ใช่ของเราเราไาสาระเขาแต่งตัวสวยเราก็ไม่ได้แต่งอย่างเขานะ ไม่สวยอยางเขาไร่สาระดูไปดูมาไม่เอาไม่เอาเลยนะทําสมาธิแล้วออกนอกไม่เอากลายเป็นทําสมาธิแล้วค่อยรู้ตัวเรื่อยๆดูตัวเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งมาดูกายบ้างร่างกายมันระเบิดนะดูไม่นานมันระเบิดฟุ้งไปเลยนะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูตามไปหิงกลายเป็นแสงสลายตัวรู้สึกจืดชูดไม่ถึงใจเจนทั่งอายุยี่สเก้าไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตอุ้ยคราวนี้มัน ใช้คำว่ามันจริงๆเลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยว่าจิตของเราทํางานได้ยังไงมันวิจิตพิสดารจริงๆนะจิตทํางานได้ตั้งสิบสี่แบบใครเคยรู้บ้างจิตทํางานได้สารพัดเลยจิตทํางานอะไรได้บ้างไปดูก็ได้ไปฟังก็ได้ใช่ไหมไปดมกลิ่นไปลิม้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนะทํางานได้เยอะเลยทํางานอยู่ในภวังก็ได้นะทำงานอยู่นอกภวังก็ได้นะทํางานในการ ส่งข้อมูลก็ได้นะในการพิจารณาข้อมูลในการตัดสินข้อมูลน ะ, ะสิ่งที่ตาเห็นนี่มันดีไม่ดีพอใจไม่พอใจนะเสร็จแล้วทำหน้าที่เซฟอารมณ์ได้ด้วยนะทำหน้าที่เซฟข้อมูลเก็บเอาไว้นะเก็บวิบากกรรมเอาไว้ได้อีกลนะัรักษาวิบากนะทำหน้าที่สืบต่อพบสืบต่อชาติเอาไว้ไม่ให้เราตายนะสืบทอดแต่ยังไม่ทันตาย ทำหน้าที่ตายก็ได้ทำหน้าที่เกิดก็ได้มจิตทําหน้าที่ได้ทั้งเยอะวู้สนุกเรเรียนเรื่องจิตนะรู้มันจังไหมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะสนุกมากเลยแล้วเห็นกระบวนการทํางานของจิตนะวิจิตพิสดานมากเลยนะตั้งแต่จิตอยู่ในรวังขึ้นมารับอารมณ์นะมีตัวหนึ่งเป็นจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกเลยว่าจะรู้ทางตาหรือทางหูหรือทางใจอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกไม่ได้นะ อย่างเราเลือกไม่ได้เลยว่าต่อไปนี้ขนาดต่อไปนี้จะเห็นหรือจะได้ยินเลือกไม่ได้นะมันมีจิตตัวหนึ่งเป็นคนเลือกให้พอเลือกปุ๊บมันเลือกให้เราไปดูรูปนยะจิตจะวิ่งไปดูรูปหรือวิ่งไปฟังเสียงเวลาที่เราหลับลึกๆแล้วเราตกใจตื่นขึ้ น, นมาบางทีตื่นเพราะมีใครมาเปิดไฟแสงมาถูกตาเราเนี่ยนะพอเราจิตมันตื่นขึ้นมาทีแรกมันยังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหม แล้วตามมามันค่อยสังเกตเห็นว่ามีแสงแสงนี้เด่นเนี่ยจิตถึงจะวิ่งออกไปรับแสงเนี่ยมีกระบวนการนะหรือว่าเรานอนหลับลึกๆอยู่ได้ยินเสียงตื่นขึ้นมาทีตแรกยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจะรู้อะไรด้วยแต่แล้วจิตตัวหนึ่งเป็นเลือกให้ไปฟังเสียงเสียงนี้เด่นเป็นอารมณ์ที่เด่นนีจิตก็วิ่งไปฟังเสียงโอ้เสียงคนกําลังนัดบ้านอย่างนี้นะจิตก็ตกใจขึ้นมาเนี่ยมันทํางานนะเห็นกระบวนการทํางานนะความปรุงความแต่งของมัน เห็นวิถีของจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทโอ้ยมันจริงๆเลยนะงนั้นหลวงพ่อเลยรู้สึกมันในการดูจิตให้ดูกายจืดจืดมากรู้สึกจืดดูแป๊บเดียวเระเบิดไปหมดเราไม่มีอะไรให้ดูอันนี้เป็นที่นิสัยนะจ็ดนิสัยคนไหนถนัดดูกายก็ดูไปคนไหนถนัดดูจิตก็ดูไปแต่หลวงพ่อเนี่ยถนัดดูจิตเรารู้สึกว่าสะใจดีนะมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเลย พอเรียนไปมากๆก็มันก็เข้าใจขึ้นมาได้เห็นในทุกอย่างมันทำงานเองนะมันไม่มีเรามันไม่มีเราพวกเราก็ไปหัดดูดิมันไม่มีเราจริงๆหรอกความเป็นเราอยู่ที่คิดเอาเองนะก็ไปหัดดูเดี๋ยวก็เห็นหรอกฝึกไปเรื่อยไปทำเอานะอ่ะเท่านี้ก็แล้วกันอาว่ามากราบนรรมัตสการหลวงพ่อค่ะ พอดีเมื่ อ, อมาพบหลวงพ่อเมื่อสักปีกว่าหลวงพ่อให้บอกว่าให้ไปดูไตลักเสร็จแล้วโยมก็ไปดูไตลักดูกายก็เห็นกายชัดดูจิตก็รู้ว่าหน้าที่ของจิตมาทําอะไรแต่นี้ตอนนี้เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันรู้สึกเฉยเฉยคือรู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยโยมเดินชมกลมเดินเดินทีก็ หลายชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันนุ่มมันนิ่มผิดปกติคือมันจะมันมันทำอะไรมันก็จะพอดีอ่ะท่านอาจารย์โยมก็เลยแบบก็มีแค่รู้เฉยๆเออดีที่มาถามนะค่ะจิตมันไปติดล็อกแล้วถ้าจิตเป็นอย่างนี้นะค่ะเหมือนอย่างนี้ไหมจิตจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมล่ะเออตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยเออคือถ้าภาวนาไปแล้วแหมมันเหมือนกันทั้งวันนะมันต้องมีอะไรผิดปกติมันควรจะไม่เจียง นะตัวจิตเองมันก็ไม่นุ่มได้ทั้งวันหรอกมันต้องแปรปลวนบ้างโยเว้นแต่ว่าเราไปติดสมถสะสักอย่างหนึ่งนะค่อยๆสังเกตเอาวิธนะีสังเกตที่ดีที่สุดคือตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตมันวิ่งเข้าไปทางไหนนะคอยรู้ทันมันมันมักจะเข้าไปช่องเดิมนะแล้วก็ไปติดอยู่งั้นได้ทั้งวันนะ่นะจะได้ไม่ติดเนาะอันนี้จิตสมถะใช่ไหมคะติด กล่าวของพระคุณเจ้ไปดูตอนตื่นนอนตอนดูตอนดูตอนตื่นนอนตื่นปุ๊บนะแล้นึกถึงมันนึกเองอ่ะเรานักปฏิบัติพระติดปุ๊บแล้วเวลาเดินจงกรมแล้วท่อาจารย์ะเวลาเดินจงกรมเนี่ยฮะมันรู้สึกมันมันสบายมันนุ่มมันถ้าถ้ามันติดแล้วเนี่ยตอนมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยดูยากว่าติดยังไงนะต้องดูตั้งแต่ยังไม่ทันจะติดยังไม่ทันปฏิบัติตอนเรานอนหลับอยู่เราไม่ได้ติดสมถะหรอก แต่ตอนตื่นพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตจะไหลเข้าช่องเดิมเลยให้รู้ทันโอ้โหไปอย่างนี้เองอะ่ะแต่ไปนั่งสมาธิมันก็จะเข้าช่องนี้เราก็รู้ทันมันก็ไม่เข้าะจะไปเดินจงกรมมันจะเข้าช่องนี้เรารู้ทันมันก็ไม่เข้า<อ>ไปเล่นมันตอนตื่นนอนนี่ง่ายที่สุดเลยครับแต่ละค่ะถามนมันสการครับครับในรูปแบบก็ได้รับความสงบมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับในชีวิตประจําวันก็ เห็นจิตจับอารมณ์แล้วก็คลายอารมณ์ตอนจับอารมณ์ก็ปั้นตัวปั้นตนได้เร็วขึ้นนะครับจิตถึงฐานไหมตอนนี้เลยแหละครับตอนนี้ออกนอกนะครับปกติออกอย่างนี้ไหมปกติก็โอภาษ์เยอะครับสว่างก<อ>ว้างใหญ่ถ้างั้นกลับมาทุกกายไว้นะกย้อนมาที่กายย้อนมาที่ใจนะส่วนใหญ่เราจะไปติดมิปัสนูชื่อโอภาษ์มิปัสนูเราอยจะไปกลัวมันนะ มันเป็นทางผ่านที่ไงก็ต้องผ่านต้องเจออย่างน้อยก็ตัวสองตัวต้องเจอนะส่วนใหญนักดูจิตจะไปติโอภาษจะสว่างว่างอยู่ข้างนอกนะสบายมีความสุขถ้าอย่างนั้นน้อมกลับเข้ามาดูกายดูใจไหมวนะกกลับเข้ามารหรือถ้ามันรู้ว่ามันออกนอกแล้วมันยังไม่ยอกเข้าก็าช่วยมันนิดนึงวิธีช่วยมันนะเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วก็หายใจกลับเข้ามา เหมือนหายใจเอาความรู้สึกตัวย้อนเข้ามาเป็นอย่างเนี้ยแต่ไม่ทํามากทํานิดๆทําหายใจทีสองทีพอถ้าทําหลายครั้งนั้นจะแน่นมากเกินไปนะเนี่ยอย่างเนี้ยใจมันจะกลับเข้ามานะให้ใจมันอยู่กับตัวเองไว้แล้วดูตอนที่ตอนที่มันมีนามันหนึ่งปั้นตัวขึ้ น, ข, นขึ้นมาอันนั้นก็ดูสนุกดังนั้นก็ดูอันนั้นได้ไหมฮะดูแล้วมันก็หายไปดูแล้วมันก็หายไปบางทีเวลาเราดูแล้วถ้าจิตเราไม่ถึงฐานเราก็ยังเห็นนะ เพะันตัวสําคัญต้องให้จิตมันถึงฐานจริงๆถ้าเวลาจิตไม่ถึงฐานบางทีเราก็เห็นตัวโน้นตัวนี้เกิดดับนะแต่จิตเนี่ยคล้ายๆมันเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีตัวหนึ่งที่คงที่ถ้าเหลือตัวที่คงที่อยู่ยังเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกรทุกตัวต้องไม่เที่ยงทุกตัวต้องไม่คงที่ไหรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง ไม่ไม่มีสงวนเลยว่าเฉพาะรูปเบตนาสัญญาสังขารเท่านั้นที่ไม่เที่ยงแล้ววิญญาณเที่ยงไม่ใช่ต้องให้เห็นในทุกตัวอลไไม่เที่ยงนะก็ติดสุขตัวนี้อยู่ใช่ไหมฮะอะไรนะติดสุขอยู่ใช่ไหมครับใช่ติดสุขอยู่แล้วมันจะไม่ไม่อยากดูทุกข์หรอกดูกายมันทุกข์ดูใจมันทุกข์นะจะไม่ยอมดูแต่ว่าเวลาอย่างพระละหันเนี่ยจิตจะไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตจะไม่ได้ออกนอกอย่างนี้เจิตออกนอกแต่พระละหันก็ไม่ใช่จิตอยู่ข้างในนะ ไม่มีนอกไม่มีในแต่อย่างของเราเนี้ยจิตออกนอกแต่ออกนอกล้วก็เข้าข้างในก่อนกลับพข้ามาดูกายดูใจเดินปัญญาให้เต็มที่ก่อนครับสำรับน้ำสกานหลวงพ่อครับเมื่อสองปีที่เรามาส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อ, อบอกว่าจิตมันไปสว่างอยู่ข้างนอกอก็กลับไปดูแล้วก็ไปสังเกตว่าเวลารู้เนี่ยมันไปรู้อยู่ข้างนอกอก็ ทำความรู้สึกตัวก็รู้สึกกายให้มากขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าน่าจะรู้ตัวได้ดีขึ้น <antis ling> ดีขึ้นดีขึ้นนะคร <antis ling> ับ น, นี่องอย่างคือของคุณคืออันเดียวกันน่ะนะอันเดียวกับที่เขาส่งกันบ้านนั่นแหละปีไกลามาจิตไป <S <S <ช>อยู่ข้างนอกสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วก็สบายอยู่กั น, ะนะย้อนมาดู ก, กายดู ก, กายในนี้จิตเข้าบ้านปัจจุบันรู้สึกว่า ร, รู้สึกตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นจิตมันทำงา น, น <S <S <S <S ใช่แต่บางช่วงมันก็มีหลงไปบ้าง <antis ling> ะ เห็นไหมว่าตัวรู้เองก็แปรปรวนครับนะอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าตัวรู้เที่ยงนะก็ผิดเลยครับว่าแต่จะมีบางครั้งที่เหมือนจิตมันไปสรุปธรรมะอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันไปมันฟงซ่านหรือเปล่าให้รู้ว่ามันสรุปนะอย่าไปเชื่อมันครับนะบางทีจิตคิดธรรมะแล้วมีความสุขมีความสุขพอมีความสุขแล้วเลยเพลิดเลยชอบคิดธรรมะใหญ่เลยคราวนี้ไม่ดูของจริงอย่างนี้ไม่ดีละอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสุวอีกตัวหนึ่งนะปัญญามากไป ครับบางคนเป็นมากนะเวลาปัญญามันเกิดเรียกคนอื่นมาฟังเทศนะนี่เธอฟังฉันหน่อยฉันจะเทศให้ฟังเขาไม่อยากฟังก็จะเทศอ่ะบางสีโทรศัพท์ไปนี่นี่เธอรู้ไหมสภาวะเป็นอย่างนี้เนี่ยบัญญายใหญ่เขาแอบวางโทรศัพท์ทิ้งไปนานแล้วยังไม่รู้เลยะขอให้ได้พูดธรรมะมันก็สังเกตว่าจิตมันไม่ชอบเออมันไม่ค่อยชอบทุกข์มันหนีตลอด เออมันคอยจะหีทุกข์แล้วให้รู้มันเรื่องความสุขให้รู้มันว่ามันอย่างเกลียดไม่เป็นกลางครับก็ขอโอกาสขอให้หลวงพ่อแนะนําที่ไปทำนะทาถูกแล้วล่ะครับนะคือถ้าจิตมันตั้งมั่นถึงฐานแล้วเห็นรูปนามทั้งหมดเลยเกิดดับได้กระทั่งตัวจิตเทก็เกิดดับได้ตัวรู้นะคราวนี้ใช้ได้ละแต่ถ้าเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านนะก็ทําความสงบครับจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรก็ทําไปครับกลาวขอบพระคุณครับ การน้ำมัสการพระอาจารย์ค่ะคือดิฉันเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกค่ะ เ, ออเคยปฏิบัติในรูปแบบคือสร้างจังหวะกับเดินจงกรมแล้วก็ทำปัจจุบันเนี่ยทำประมาณวันหนึ่งบางวันก็สี่ห้าชั่วโมงวันวันก็สองชั่วโมงบางวันก็อาจจะไม่ได้ทำเลยคราวนี้ไม่ทราบว่า เวลาเราเดินทรงกลมหรือเราทําจังหวะนะเราอย่าไปเพ่งมันนะอย่าไปเพ่งเพ่งมันตรงย่างย่างเสูงแบบขยับเนี้ยนะเราเราเพ่งใส่มือไว้เพ่งหรือบางทีก็เพ่งจิตให้นิ่งแต่ตอนทําก็รู้สึกว่าไม่ได้เพ่งนะแต่ว่าพอพอพ อ, พอเราไม่รู้สึกตัวปุ๊บมันก็จะหลงหลงไปแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยก็รู้สึกว่า ก็รู้ว่าเท้ายางตอนที่มันเหยียบก็รู้นะคะเวลาเดินชมรมเราไม่ดูเท้าหรอกนะเราเราไม่ได้ดูค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าตอนเท้าเหยียบเราจะรู้สึกถ้าเท้าเหยียบแล้วรู้สึกนะแล้วถ้าจิตไหลไปที่เท้าให้รู้ทันจิตเราต้องอยู่ตะหากนะเป็นคนดูถ้าจิตไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ลมหายใจที่ท้องอะไรใช้ไม่ได้ค่ะเป็นสมถะแล้วลตอนนี้ของคนเนี่ย พื้นฐานหลักๆเลยคือความฟุ้งซ่านของจิตนะเพราะงั้นเรามีเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งมันหนีไปคิดนะเช่นเรารู้จักร่างกายรู้สึกในร่างกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแล้วจิตเราหนีไปคิดเราคอยรู้ทันเราไม่ได้ดูร่างกายเพื่อจะรู้ร่างกายนะเราดูร่างกายเพื่อจะรู้ทันจิตเท่านั้นเองเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าแล้วจิตแอบไปคิดค เนี่ยเวลาจิตแอบไปคิดเนี่ยให้รู้ไวๆค่ะมันมันจะช้าหน่อยมันจะคิดนานแล้วมันชอบมันรู้สึกสนุกที่จะคิดจิตมันติดความสนุกในการคิดใช่ค่ะขอบคุณค่ะสรุปก็คือไปทําในรูปแบบอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไม่ใช่รู้เท้าน ะ, ะไม่ใช่รู้เทา้าไม่ใช่รู้ท้องไม่ใช่รู้มือค่ะรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้จิตนีแล้ว ร, รู้ฝึกให้มาก บพะคคุณค่นั้นก็กลางๆพ่อคือคิดว่าตัวเองรู้ตัวเป็นบ้างแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีบางช่วงที่จิตมันนิ่งๆอยู่ก็รู้สึกว่าพอจะแยกได้ระหว่างจิตตั้งมัน่นกับจิตตั้งไม่ตั้งมัน่นแต่ไม่ค่อยแน่ใจของหนูของหนูเนี่ยสังเกตนี่จิตมันฟุ้งเก่งมันฟุ้งซ่านมากนะ งั้นเราหาเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วก็ค่อยรู้ทันมันไว<ม>นะ้ต้องฝึกให้มากๆตัวนี้เบสิกให้แม่นแล้วตอนตอนหลังๆนี้พอเห็นไอ้ตรงนี้พยายามบอกตัวเองไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่าพยายามบอกตัวเองว่าไอ้ตัวรู้ว่ามันตั้งมัน่นกับไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าควาจริงแล้วมันไม่เห็นเหมือนกับตัวเองพยายามน้อมไปดคูค่อยๆหัดไปการที่เห็นตัวรู้เกิดดับนะเห็นถูกแล้วนะดีที่เห็นนะ แจุดสำคัญก็คือพื้นเราเนี่ยไม่แม่นพื้นเราไม่แน่นไม่ใช่ไม่แม่นนะไม่แน่นสมาธิเราไม่พอใจมันฟุ้งเก่งไม่ใช่ว่าจะต้องเพิ่มสมาธิ่ด้ไหมก็ทํากรรมฐานเดิมนี่แหละแต่ว่ารู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดกวรจะน้อมบ้างไหมคะไม่น้อมไม่นอมันหนีคิดอยู่แล้วไม่ต้องน้อมมันหรอกแล้วตอนตอนหลังนี่หนีคิดยังหนีค่ะเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากเลยนะฝึกอย่างนี้ให้มากที่สุดเลย แล้วพอจิตเรามีพลังจริงแล้วจิตอยู่กันเนื้อกับตัวจริงแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องเดินปัญญาปัญญาเรามากอยู่แล้วแต่สมาธิเราไม่พอแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือตอนช่วงหลังเนี่ยช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาพอดีไปดูละครเวทีละครผีสระดูอะไรนะละครผีอะค่ะผีเป็นละครเวทีแต่เป็นเป็นเหมือนหนังผีแต่เป็นละครสะไอ้ตัวละครที่มันเป็นตัวผีมันติดตาอยู่ตลอดทุกตา ตงรับบากต้องรับวิบากนะพยายามบอกมันบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวคนที่มันเดินอยู่บนเวทีเห็นๆไปคิดว่ามันเป็นผีแล้วก็แบบมันก็เหมือนหลอกนงเห็นไหมใจมันฟุ้งแล้ว้องหนูต้องพูดน้อยนะคะเอาหนูถ้าพูดเมื่อไหร่จะฟุ้งเร็วเลยนะเป็นจุดอ่อนนะให้รู้ทันไว้ร็จแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวว่าเหมือนมันจะสติแตกเวลาติดกลัวผีเงี้ย ก็อย่าไปดูมันสิให้ย้อนให้ย้อนกลับมาดูใจมันก็ไม่ค่อยยอมย้อนอย่าไปหาหาเรื่องใส่ตัวด้วยการดูหนังผีกลัวผีเราก็อย่าไปดูเคยเจอไหมไม่เคยรู้สึกมันเคยทั้งเคยมันมันเคยถ้าเจอบ่อยๆก็ชินไปเองไม่กลัวแต่ตอนเจอมันไม่เลยอ่ะอันนี้แบบจะบอกให้เวลาที่เราเจอเนี่ยเราจะไม่กลัวเพราะเวลาเจอเนี่ยนะอันแรกเลยจิตทรงสมาธิอยู่ ้จิตมันมีสมาธิแล้วมันไปเห็นผีเนี่ยจะไม่กลัวไอ้ตอนที่กลัวเนี่ยจะเป็นตอนที่ไม่เห็นแล้วจิตไม่มีสมาธิเราจะคิดฟุ้งซ่านเนื้อออกไหมมันกลัวตอนฟุ้งซ่านเพราะงั้นอย่าไปกลัวตอนนั้นไม่เห็น<ะ>ถ้าสงบเมื่อไหร่ถึงจะเห็นบอกตัวเองงัเหมือนกันเพราะเคยเคยเคยที่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วไปเจอตอนที่ใจมาสงบมากอืแล้วตอนนั้นไม่กลัวจริงไม่กลัวแต่ตอนเนี้ย<ต>กลัวมากแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าใจมันไม่ยอมเชื่อ ไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เวนกรรมใครก็ใช้ให้ไปดูละครผีกับนมัสกาหลวงพ่อครับส่งกันพันครั้งแรกครับเห็นัม่กายกระจายเป็นโคลารเห็นเรับเห็นัม่ความสุขทุกข์ดีชั่วกระจายโครารเห็นเห็นระหว่างกายกระจายดูอะไรได้บ่อยได้ชัดกว่ากันมันสลับกันครับที่ทำอยู่ก็ถูกแล้วล่ะไปทำอีก ก็ระหว่างวันจะเป็นเพ่งเพ่งร่างกายระหว่างวันเพ่งก็รู้นะครับเพ่งก็รู้ว่าไปเ พ, งเพ่งอยู่นะใจเราต้องเคลื่อนไหวได้อย่าให้ใจมันนิ่งครับแล้วระหว่างวันเวลาทำงานนะครับความคิดมันจะความคิดในอดีตและอนาคตมันจะเข้ามาในหัวแล้วก็เข้ามาละการ อ, อกก็คแค่รู้นะห้ามมันไม่ได้เห็นมันมาแล้วมันก็ไปนะ เนี่ยดูทุกอย่างเลยนะมีแต่ของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีแต่ของบังคับไม่ได้นะนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาขอคาแนะนำจากของพ่อเพิ่มเติมครับแยกขันได้ก็ดีแล้วละนะแต่อย่าไปประคองจิตรักษาให้มันคงที่นะให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบนะย่าขนาดนี้รักษาจิตอยู่ดูออกไหม มันจะถื่อๆจับมันไม่ให้มันอย่าไปจับมันสิปล่อยโอ้ให้มันเป็นลิงไปอย่าไปจับมันไว้นะปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ไปเราก็จะเห็นว่ามันทำงานได้เองมันมีแต่ความไม่เที่ยงนะอย่าจับตัวรู้ไว้นะขันแยกแล้วล่ะแต่ว่าระวังเรื่องจับตัวรู้ไว้ตัวรู้ไม่ใช่อยู่ข้างนอกไหมไม่ใช่อยู่ข้างในใช่ไหมครับตัวรู้อยู่นี่อย่าไปประคองฉิตไว้ อย่าให้มีการประคองสงสัยทราบไหมนิดหน่อยครับเออนิดหน่อยก็ทราบนิดหน่อยเนี่ยมีอะไรขึ้นมารู้ทันมันรู้ทันมันไปนะรู้โลกปัจจุบันอย่าให้เหลือตัวนิ่งอยู่เวลาทำสมาธิให้มันมีตัวนิ่งเวลาเดินปัญญาปล่อยทุกตัวให้ทํางานไม่สงวนตัวหนึ่งเอาไว้อ่ะต่อไปครับขอบคุณใช้ได้อยู่ดีขันแยกแล้ว กา ร, รมนมัสการค่ะคือรู้สึกไม่ดีเพราะว่ามันขํามควรวนแล้วก็จิตก็ไม่มีกําลังแต่มันก็มันรู้สึกว่าเหมือนกับหลงมากกว่าเดิมมาหาแล้วก็มันก็จิตมันเป็นอกุศลเยอะแต่ว่ามันก็เห็นกิเลสอยู่ก็เลยมีความลังเลว่าตอนเนี้ยมันถอยหลังหรือเปล่าเลยไม่ถอยแต่ว่ากําลังของสมาธิไม่พอจิตไม่มีแรงนะถ้าจิตไม่มีแรงเราต้องพักจิตบ้าง เตืนปัญญารวดไปมันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเรามาพักจิตอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรองนี้ก็พยายามอยู่กับพุโทโธค่ะแล้วก็จริงๆทุกวันก็ทําในรูปแบบเช้าเย็นแล้วก็พยายามเพิ่มเวลาที่ที่มีโอกาสแล้วปลูกใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาหน่อยก็ <Yeah. S 2> คือที่จะกราบเรียนถามก็คือว่าบางทีเวลาที่จิตมันไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นการตรุงมากๆเนี่ยค่ะมันรู้แต่ว่ามันไม่ถอนมันก็ใช้วิธี คิดขึ้นมาค่ะอันนี้แต่ว่ามันมันก็เริ่มจะเป็นบ่อยก็เลยคิดว่าเอ๊ะ น, นี่มันผิดอีกหรือเปล่าเนี้ยค่ะคือถ้าถ้าถ้ามันไปติดค้างอยู่ก็ต้องถ้ารู้ทันมันแยกออกไปเองอ่ะดีที่สุดถ้ามันไม่แยกนะทําใจให้เข้มแข็งนิดหนึง่งไม่ต้องไปคิดอะไรทาใจให้เข้มแข็งนะรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดนึงถ้เรารู้สึกตัวเข้มนิดนึงมันจะหลุดออกมาแล้วเคยฟังหลวงพ่อที่บอกรู้สึกตัวให้เข้มนี่คือ ใช้ลมหายใจช่วยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าของโยงเ ม, ม <ใด S 2> เนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรอกแค่รู้สึกตัวขึ้นมาเท่านนะั้นเองตกลงว่าอย่างตอนนี่ยตอนนี้ความรู้สึกตัวเข้มกว่าเมื่อกี้นึกออกไหมเนี่ยให้มันเข้มอย่างเนี้ยให้มันเข้มแข็งไว้อย่างเงี้ยก็พยายามหาอะไรที่มันช่วยบางทีนึกถึงหลวงพ่อช่วยกันอย่างนั้ น, นยิ่งอ่อนแอใหญ่เนี่ยพึ่งคนอื่นงั้นก็ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าให้ใจมันอ้อยส้อยอ้อยยิง ให้มันเข้มแข็งไหมเราความรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้มันเข้มแข็งไหมที่จริงๆมันบางทีมันรู้สึกเหมือนมีการเพ่งอะค่ะอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่แต่เราไม่เพ่งนะเราแค่รู้สึกตัวขึ้นเฉยๆไม่ไปเพ่งพรที่เรารู้สึกว่ามันเพ่งเนี่ยเราอันนั้นที่เรารู้สึกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้ามันกลับไปเป็นก็คือรู้กลับขึ้นมาใหม่ว่ามันเพง่งตอนนี้มันเริ่มติดเพ่งหรือเปล่า ค, คือคือไปดูตัวนี้นะใจมันกลัว รู้ท่านใจที่กลัวเข้าไปเลยกราบน้ำมศการอีกอันหนึ่งขอกราบขอขามาถ้าจิตประม า, พาทาพลาดทั้งพระอริยเจ้และหลวงพ่อค่ะธรรมดามานันไม่ยอมให้เราหลุดง่ายๆหรอกมนันกระตุ้นให้เราคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยกราบนมัสการขารหลวงพอ่อแข็งขึ้นมาเลยอจิตมันแข็งขึ้นมาเลยพอพระกวนจะพูดกับหลวงพอ่อคืออยากกราบ ขอความเมตตาหลวงพ่อตรวจกันบ้านนะคะเห็นกายกระใจเป็นคนละาันหมเห็นบ้างค่ะก็ดีแล้วล่ะเห็นใจที่แอบหนีไปคิดไหมเห็นค่ะรู้ตัวนี้บ่อยๆใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีแล้วคิดแล้วรู้นะใจจะได้มีแรงใจมีเรี่ยงมีแรงแล้วก็ดูกายกับใจเขาคนละอันกันดูกายบ่อยๆเรารักสวยรักนามดูกายไปเรื่อยๆถ้าความรู้สึกในใจอะไรเกิดก็ค่อยรู้เอา หลวงพ่อขะตอนนี้ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมพุทโธเป็นวิหารธรรมเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะพุทโธเป็นวิหารธรรมไม่ได้เพราพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องราวที่คิดแต่แล้วถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมอันนั้นเรียกว่าพุทโธเป็นนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเช่นพุทโธพุทโธจิตมีความสุขรู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้จิตสงบรู้นะจิตหนักรู้จิตเบารู้ อย่างนี้ใช้ได้เอออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ พ, อพอใช้พุโทโธปุ๊บเนี่ยมันจะมาที่กายก่อนส่วนใหญ่ได้พุโทโธแล้วก็บางทีก็ไปที่จิตบางทีก็แบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแต่ว่าเวลาพุโทโธอย่าไปประรองจิตให้นิ่งน ะ, ะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ไหลไปนะ<ข>อย่าอย่าไปพุโทโธเพื่อให้จิตนิ่งพอกันบ้านหลวงพ่อเด้เนี่ยไปฝึกตัวนี้นะสมาธิยังไม่ค่อยพอ หมายถึงว่าต้องนั่งสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคอยรู้ทันจิตให้บ่อยๆตัวที่ทําให้เราได้สมาธิชื่อว่าจิตตศึกขานะทําให้เราได้สมาธิแล้วเราคอยรู้ทันจิตไหมพุทโธพุทโธไปนี่แหละพุทโธพุทโธจิตไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธแล้วมาเพ่งร่างกายแล้วรู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกาบนามัสการค่ะหลวงพ่อ ตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่รู้ตัวเลยค่ะยังไม่รู้ตัวเลยก็โกรธเป็นไหมอะไรคะโกรธเป็นไหมเป็นค่ะเอ้ต้องเป็นสิโอกรดเป็นค่ะเราโลภเป็นไหมอยากโน่นอยากนี่ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมดีใจเป็นไหมเป็นค่ะเหรอเสียใจก็เป็นใช่ไหม สุขเป็นไงก็รู้ใช่ไหมมีความสุขมีความทุกข์รู้จักไหมพอรู้ค่ะเออต่อไปนี้ง่ายๆเลยนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดนะก็รู้ทันมันบ่อยๆค่ะห้ฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยค่ะอย่างใจเรามีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันใจสงบรู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจโลภโกรธลงรู้ทันอย่างเนี้ยเมื่อเคี้ยใจหนีไปคิดรู้ไหม ไม่เคยรู้ค่ะไม่รู้ก็ดูกายดูใจไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนร่างกายพยักหน้าไหมค่ะดูกายชัดกว่าดูจิตแล้วหลวงพ่อว่าดูปฏิบัติยังไงดีคะดูกายไปดูกายเหรอคะไปหางานทํานะค่ะขาดบ้านถูบ้านไหนก็ได้นะเคลื่อนไหวไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานเราเป็นแค่คนดูแต่ถ้าใจหนีไปแล้วก็รีบรู้ตัวขึ้นมาใหม่ค่ะะดูกายบ่อยๆค่ะ ถ้าดูขอบคุณค่ะขอให้ลุงพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะโอ้สาธุมีให้รางวัล ใ, ให้ผ่อนด้วย <c oughs> <c oughs> การนมัสการค่ะอออตอนนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ใจจะลอยๆฟุ้งๆไม่ค่อยมีแรงภาวนาดีแล้วล่ะนะอออตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะจะเหมือนถ้าเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะ ยังไงก็ไม่ไม่รู้สึกสงบอะคะ่ะล้ออย่าไปอยากสงบนะอยากสงบจะไม่สงบทำใจสบายคิดว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้านะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตสงบกระรู้จิตฟุ้งซ่านก็รูนะ้ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆทำไปสบายแล้วถ้าหากมันเบลอๆเก้เงกว้างมากนะก็สวดมนตนะ์สวดอ e ีตีปิโสสวดอะไรก็ได้นะสวด บ่อยๆซ้ำไปซ้ำมาจิตจะได้มีแรงจิตใจจะได้กลับมาคือพอภาวนาดีแล้วพวกมานเหมือนแกล้งทำให้เราฟุ้งจับอะไรไม่ถูกเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะใจเราก็เราก็กลับมาแล้วถ้าถ้าใจเราไม่สงบอย่างนี้นะค่ะไม่สงบไม่เป็นไรเริ่มแยกคาดแยกขันได้ยังไงอะคะก็ดูไปสิความไม่สงบนะกระใจโคลอนกัน เห็นไหมความไม่สงบมันอยู่น้อนใจมันเป็นคนดูรู้ว่าไม่สงบเหมือนให้เราแยกออกมาดูอีกทีเราแยกแต่อย่าจงใจแยกของคุณถ้าจงใจแยกนะมันจะทื่ๆออกมาเลยจะมีตัวหนึ่งนิ่งทื่อๆอย่าไปจงใจแยกตอนนี้สวดมนต์ไว้เยอะๆก็แล้วกันเดี๋ยวก็หายเพราะว่าภาวนาถูกแล้วล่ะนะมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวพวกพวกมารมีทั้งห้าชนิดนะขันธมารคือร่างกายเราเองเนี่ย บางทีเราพาวนาดีๆก็ดันเจ็บป่วยซะแล้วเคยนั่งสมาธิเดินจงมทําไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาเรียกขันธมารอีกอันหนึ่งก็คือความคิดของเรามันหลอกลวงเราทําอย่างโน้นสิทําอย่างนี้สิอันนี้เรียกว่าอาภีสังคารมารอีกอันหนึ่คือกิเลสเนี่ยมันหลอกเราเรีย ก, ยกว่ากิเลสมาร์สส่วนความตายเรียกมัจจุมารแล้วมันมีมารอีกตัวชื่อเทพบุตรมารคือไอ้พวกชี้ฉาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพก็ได้ไอฉามันแกล้ง มันแกล้งนะทําสะกดจิตเราให้เบือๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราพยายามพูดโธไว้ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ให้ใจเราเข้มแข็งเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่กลัวใครหรอกต้อง<ต>สู้เอากาว่าจะรอดนะแต่ละคนแต่ละคนนะต้องสู้เท่านั้นเพระพระพุทธเจ้าท่านก็สู้มาสู้กับมารมาล่ากับมารก็ตีกันมาตลอดในประวัติศาสตร์ <c oughs> อว่ามา เกี่ยับสมาธการทั้งขาดหลวงพอ่อคือหนูเคยปฏิบัติหนูฟังที่ดีหลวงพ่อมาะคะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าะคะ่ะเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะถ้าเห็นกิเลสก็ถูกเลยเห็นกิเลสแล้วกิเลส ด, ดับเร็วไหมก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนมันจะกดเอาไว้หรือเปล่าใช่นะะหนูไปกดไหมนะปัญหาของหนูก็คือจิตมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบไอ้ที่ไม่ดีนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะ่ะ มันหงุดหงิดมันลำคาญในที่ไม่ดีในะความทุกข์เกิดขึ้นก็ลำคาญรู้สึกไหมมันจะคี้ลำคาญคนั่นแหละให้รู้ทันจิตที่มันเคี้ลำคาญนั่นะหะเวลาจะภาวนาทาไปอย่างนี้ก็ลำคาญรู้ทันเมื่อลำคาญรูญนะรบบ้บ่อยๆจิตจะมีพลังเป็นกลางขึ้นมาตอนนี้ปัญหาคือจิตยังไม่เป็นกลา ง, <อ>งจิตยังเกลียดเกลียดอารมณ์บางอย่าง กราบหลวงพ่อครับอผมฝึกรู้ครับหลงไปเรื่อยๆครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งบังเอิญจะแปลงฟันทีนี้ไอเจ้ายาเสพติดมันกระเด็นเข้าตาอืหาแปลงอีกท่าไหนวะครับพรพอดีเปิดเปิดไอตัวยาเสพติดฮะมันกระเด็นเข้าแล้วก็เข้าตอเปิดครับที่ฉันนึกว่าเข้าตอนแปลงเข้าไปได้ไงมันแสบที่จนแบบ มันเหมือนเข็มแทงนะฮะที <S <S นี้ขนาดที่เข็มแทงเนะี่ยมันอยู่ดีมีภาพขึ้นมาอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่กําลังคุยกันกับญาติตอนเย็นแทรกเข้ามาก็ไปเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าไปหา <S <S คือไปไปปรุงมันอีกครั้งหนึ่ง <S <S แล้วก็วิ่งเข้าไปหาไอตาที่เจ็บอีกครั้งหอึมันก็วิ่งไปวิ่งมาสักพักหนึ่งกลายเป็นเห็นกายรวมมาปึ๊บเป็นตัวเองเจ็บอยู่ตลอดเออครับเหมือนเดิม ก็กายก็กลับมารวมกันแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนเหมือนเดิมครับก็แล้วหายยังหายนานแล้วครับทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นก็เลยรีบไปเดินจงกรมทําอะไรต่างๆแต่พอเดินยิ่งพุ้งหนักกว่าเดิมมันโลภแล้วนะรับโลภไปเลยครับเลยขอกันบ้านนะที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะนะอย่าโลภเท่านั้นแหละทาสม่าเสมอนะ ขยันแต่อย่าโลภขยันหม่ถึงขยันทำเหตุถ้าโลภเนี่ยอยากได้ผลครับนะทำถูกแล้วครับสาธุครับครับเราฟังทมกันมาครบเวลาแล้วนะครับก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในศ า, าลาลวงชินแห่ง น, นี้กล่าวคำถวายทานครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายเครื่องปัจใจทายาทธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทพระโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นการและนานเทินยาถาวาริวหาปุราภริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอโตทินนางเปตานางอุกปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามานิโชติระโสยถาสัพีติโยวิวัชันตุสภโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันปรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังุทาปจายโน จตาโรโอธรมาวันตีอายุวันโนสุขขันพระลังสาทุพวกเราก็อนุโมทนาให้คนที่เขาช่วยกันดูแลสถานที่บ้างเนาะลำบากมากเลยในการดูแลสถานที่นี้นะกระทั่งคนจัดเสือยกเก้าอีนะ้เนาะแรงงานทั้งนั้นเลยขนนังสือมาแจกเนี่ยนะคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลัง การที่เราได้มาฟังเทศสบายๆไม่ใช่พ่อหลวงพ่อมาเทศคนเดียวหรอกมันเกิดจากความเสียสละของคนจำนวนมากเลยนะ อ, อนุโมทนากับเขานะ